บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการเจริญกรรมฐานในแนวที่มองกลุ่มของอกุศลหรือว่ากลุ่มของกิเลสทั้งหลายนั้นพระเจ้าทรงสอนไว้โดยนยากต่างๆ บางครั้งเป็นการตั้งสติระลึลกรู้ติดตามกิเลสเหล่านั้นตั้งแต่จุดที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเช่นกิเลสเราได้ตัวหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นๆกิเลสข้อนั้นๆั้นข้อนั้นข้อนั้นเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็ดูว่าก่อนหน้านัน้นกิเลสเหล่านี้ไม่มี เรื่องการที่กิเลสตัวนี้ได้เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็สืบสาวไปถึงสาเหตุการเกิดของกิเลสแต่ละขอ้อซึ่งการเกิดของกิเลสนั้นก็เช่นเดียวกับการเกิดสิ่งเหล่าอื่นคืมันเกิดขึ้นมาจากเหตุหรือถ้าไม่เหตุถ้าไม่มีเหตุสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ดัชนผู้ศึกษาปฏิบัติธรร ม, มจะสังเกตได้ว่า อาการของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นไม่ได้ครอบงาจิตใจเราตลอด24ชั่วโมงเติมเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวตามเงื่อนไขปัจจัยในแต่ละขณะปัจจัยที่สำคัญก็คือตัวพื้นฐานธาตุคือเชื้อของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเราที่ท่านเรียกว่าการมทธาตุพยาบาทธาตุวิญสีธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุ คือสรุปว่าเราก็มีเชื้อกันอยู่เชื้อกุศลก็มีเชื้อของอกุศลก็นีเราก็ติดพบติดชาติบางครั้งถ้าเรียกว่าอัตยาศัยบางครั้งเรียกว่าสันดานบางครั้งก็เรียกว่าอทิมุตบางครั้งก็เรียกว่าจริตจึงก็เป็นอิทธิพลของกิเลสหรือธรรมะที่มีอยู่ภายในใจของเรา ซึ่งจากเชื้อที่มีอยู่ภายในใจนีแม้จะไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบข้างนอกคนเราก็สามารถคิดเพิ่มกิเลสก็ได้คิดเพิ่มธรรมะ ก, ก็ได้ซึ่งก็มาดูที่ตัวความคิดของเราจะสังเกตได้ว่าบางวันนั้นความนึกคิดของเราเป็นกุศล แม้จะไม่มีอะไรกระตุ้นจากข้างนอกเลยแต่ว่าภายในใจเราก็มีคุศลอยู่ตัวก็ดึงเอาคุณสมบัติเหล่านั้นคุณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาคิดเช่นประรบถึงเมตตาลักษณะของเมตตาแล้วก็ดูผลของเมตตาที่ตนเองเคยสัมผัสหรือได้รับจากบุคคลอื่น ดูอาการก็เมตตาที่ปรากฏภายในจิตของเราว่าในขณะที่ใจมีเมตตานั้นใจเป็นอย่างไรบ้างก็จะพบว่าในขณะนั้นใจเย็นใจสงบใจเป็นสุขมองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยใจที่เย็นใจที่สงบใจที่เป็นสุขก็เกิดความเป็นมิตรสนิทสนมกัน แม้จะมีการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าใส่ใจที่เย็นใจที่สงบใจที่เป็นสุขก็สามารถสลายความรู้สึกที่ร้อนที่ไม่สงบที่เป็นทุกข์ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เหนียวนึกจึกนึกให้เกิดกิเลสก็ได้เชงเกิดกิเลสตรงกันข้ามกับเมตตาก็คือความพยาบาท อาจจะประรบการกระทําของใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ที่เรียกว่าอัติตารุมหรืออรมณ์ในอดีตนั้นอาจจะย้อนรอยไปเป็นพันๆปีก็ได้แล้วก็มองด้วยความขับแคลนด้วยความไม่พอใจเด็อาจจะประรบการยกของทัพของพม่ากับมาตีไทยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว แล้วเกิดความเครียดแค้นเกิดความจริงชังเกิดความมัคาดปาัญบัทเราแสดงว่าความเดือดร้อนเหล่านี้เราก็เหนี่ยวนึกขึ้นมาเองเพราะด้แง่ของความจริงแล้วเป็นยังไงการทะเลาะวิวาทของคนยุคหนึ่งนั้นได้จบสิ้นลงไปแล้วคนยุคนั้นที่ทะเลาะกันก็ได้ตายไปหมดแล้ว สมมติเราคิดจะแก้แค้นปัญหาว่าแก้แค้นใครแต่แก้แค้นคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังก็ทำผิดอะไรเราไปแก้แค้นก็ทำไม่ก็แสดงเราก็สร้างกรรมใหม่ไม่ได้สร้างไม่ได้มีการแก้แค้นอะไรเพื่อนพอปัญญาเกิดขึ้นมันก็หยุดใจตัวเองได้พระเจ้าทรงยกย่องผู้ปฏิบัติธรรมไว้กลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเก่งมาก ได้แก่คนที่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้ทรงใช้คำว่าฉลาดในวิตกบทก็คือทางแห่งความตรึกนึกการเดี่ยวนึกมาดูที่ความคิดของเราว่าความคิดบางอย่างมันไม่เหมาะไม่ควรคิดไปแล้วก็มีความร่าร้อนมีความวิตกกงังวลมีความไม่สงบเกิดขึ้นภายในใจเราก็คิดทาไม เช่นว่าแนวความคิดเหล่านี้อาจจะต้องอาศัยสติบ้างอาจจะอาศัยยิทธบ้างอาศัยปัญญาบ้างปิดกา้นกระแสของความคิดเอาไว้แล้วตัวที่นํามาประรบนั้นที่จริงประรบอะไรก็ได้ประรบความเป็นพุทธศาสนิกประรบความเป็นมนุษย์ประลบความเป็นลูกหลานของสกุล รบความของการเป็นอุบสสขบาสิกาพิสุทธ์สามเปนเด็ดรบวัยอายุของเราที่เพิ่มขึ้นประรบความเข้มแข็งภายในจิตใจซึ่งเคยต่อสู้กับอนาจของกิเลสมาได้เป็นต้นคือหมาความว่าจะปรารบอะไรขึ้นมาก็ได้เป็นฐานเพื่อให้จิตตั้งมั่นแต่คนอย่างเราไม่ควรคิดอย่างนี้หรือการคิดอย่างนี้ไม่ควรแก่เรา ซึ่งบางครั้งบางคราวในท่านอาศัยสิ่งอื่นเช่นพระนางมารีกาทวีท่านเคยประรบถึงความคิดบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรของท่านแต่ก็ตำหนิตัวเองว่าการคิดชนีดไม่ควรแก่เราแม้อื่นจะไม่รู้ว่าเราคิดยังไงแต่เราก็รู้ความคิดเราด้า น, นของเราพระหานทั้งหลายรู้ เทพเจ้าที่มีเทพเนตรเทพการรู้เพราะความรับทั้งหลายนั้นไม่มีในโดกนี้แสดงให้เห็จิตสานึกที่มันต่อสู้กันเองภายในใจเพราะรใะจเราก็มีทั้งธรรมะทั้งอาธรรมอยู่แล้วเวลาความคิดที่เป็นอาธรรมเกิดขึ้นความคิดที่เป็นธรรมะมันก็หยุดความคิดเหล่านั้นพยายามมองเห็นโทษพยายามลดละมันเทาความรุแรง ก็แสดงเห็นว่าเชื้อในภายในนี่เองก็พร้อมที่จะแสดงออกมาโดยไม่จําเป็นจะต้องรับเชื้อในภายนอกคล้ายๆคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มีเชื้อจากภายนอกแต่เชื้อภายในที่มีการเก็บการสะสมไว้นานเนี่ยเราสามารถทําอันตรายกับชีวิตเราได้เชื่อมาเร็งไปต้นมันก็เกิดขึ้นาจากภายในแม้จะไม่รับเชื้อจากข้างนอก บางยามก็มีอยู่แล้วในภายในพอแกมีกำลังมากพอแกก็ทําอันตรายได้สิ่งเหล่านี้เพียงแต่เป็นธรรมะแต่เปรียบโรคก็คือกรุงพายกิเลสก็เปรียบเหมือนการรบกรุงพายของธรรมะก็เปรียบเหมือนผูมทานทานโรคแต่ยาณนันตมีการสะสมเก็บรวบรวมเอาไว้มีกำลังมากพอ เวลาสัมผัสโลกข้างนอกซึ่งเป็นเงื่อนไขปัจจัยกระตุ้นกิเลสอีกกลุ่มหนึ่งโลกเราเป็นโลกสัมผัสอย่างที่ทราบกันการเกิดของกิเลสจอเกิดขึ้นธรรมะในสายนอกก็มาจากการได้เห็นได้ยินได้สูดรวมได้ลิ้มได้จับต้องแล้วเก็บสะสมสิ่งเดล่า น, นเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนสะสมมันก็เป็นเป็นของภายในไปแล้วก็เป็นของเราไปแล้ว ตัวที่มาจากข้างนอกจริงๆคือมาทางประสาทห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายในตรงนี้พึงสังเกตว่าพื้นฐานภายในของเราเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดที่มีความสําคัญมากเช่นสมมุติว่ารูปสวยหรือไม่สวยปัญหาไม่ได้อยู่ที่รูปนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจคนที่มองพอใจคนที่มองรูปเหล่านั้นมีพื้นฐานอะไร รูปเดียวกันเป็นการมองจากพื้นฐานที่แตกต่างกันจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันตัวอย่างง่ายๆคนบางคนอาจจะมองด้วยความชอบคนบางคนอาจจะมองแล้วก็ไม่ชอบคนบางคนมองแล้วก็อาจจะเฉยๆนี่แสดงว่าโดยเหตุผลธรรมดานี่แต่ความงามของรูปนั้นก็ไม่สามารถครอบงาใจคนได้ทุกกลุ่ม อย่างน้อยในที่นี้ก็คือสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ชอบกับกลุ่มที่เฉยๆควางมงามกอรูปเหล่านั้นก็ครอบงำไม่ได้แต่ถาม่าทำไมจึงเป็นอยางนั้นก็อยู่ที่ใจของคนเราจึงพบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันหรือว่าในจุดเดียวกันนั่นเองแต่จากเชื้อที่มีอยู่ภายในใจของคนแตกต่างกัน การมองสิ่งเหล่านั้นก็ผิดแปลกแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบางครั้งพระเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่มีอิทธิปาฏิหาริย์เช่นคราวแสดงยมกปฏิหารเพื่อตรมานักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่ต้นคันธามพุทธกลายเปน็นนครสารวันั้น มีคนที่เห็นการแสดงปฏิหารของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดสัาธาเลื่อมสายออกบวชหนุมน่มๆล้วนๆออกบวช500รคนแล้วคนที่แสดงตนเป็นอุบาสุปสิกาบรรลุธรรมะบรรลุอริยมรรยาผลเป็นจำนวนมากเลยเครับเพราะเป็นการประชุมของหมหาชนขนาดใหญ่มีการโฆษณานัดหมายร่วมหน้าตั้งหลายเดือน บางคนแม้จะอยู่ในที่ไกลต้องการจะดูมก็มาได้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้ามาก่อนก็คือนักบวชนอกศาสนามองการกระทําเหล่านั้นด้วยความเครียดแค้นด้วยความไม่พอใจด้วยความริษ ย, ยาด้วยความแข่งดีบางคนกระอักออกมาเป็นโลหิตสดๆ ท่านปุรากัษปะซึ่งเป็นคณาจารย์เจ้าลัติคนหนึ่งเอาหม้อใส่ทรายเข้าแล้วผูกเชือกไว้ที่ปากหม้อแล้วอีด้านหนึ่งก็มาผูกที่คอตนเองกระโดดลงในแม่น้ำมจิรบดีตายคนบางพวกได้เฉพาะความเรื่อใส่คนบางพวกรู้สึกเฉย นั้นแสดงเห็นว่าเรื่องเดียวกันภาพเดียวกันมองกันในจุดเดียวกันนั่นเองเพราะตัวนอกจึงไม่มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาที่ตัวในคือใจประพื้นฐานทางใจเราเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าพื้นฐานใจเราดีเนี่ยเราจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องในรายการพัฒนาจิตใจตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าใจจิกขา ท่านสาะชชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าอารมณ์ของกรรมฐานที่จริงมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเพีย ง, งแต่คนใช้ประโยชน์มันได้เล็กน้อยเท่านั้นเองเรื่องอาหารก็ใช้ประโยชน์เฉพาะในการบริโภคเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูครอบครัวของสากนาญาติดีน้อง แต่เราก็มีปัญหาเรื่องอาหารเป็นมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องมาตลอดพอ ม, มาถึงการมองแนวของพระพุทธเจ้าว่าไม่ควรจะเป็นอาหารเฉพาะร่างกายแต่จะควรเป็นอาหารของใจด้วยเป็นใจที่บริโภคจะมีเหตุผลไม่ใช่บริโภคโดยตัณหาเพราะถ้าบริโภคโดยตัณหาก็ต้องวิ่งไล่หาอาหารที่มีราคาแพงๆกินกันเรื่อย และในที่สุดแทนที่จะเป็นนายอาหารมันก็กลายเป็นาธาตุกองอาหารคอยรับใช้อาหารมันอยากให้กินทีงไหนก็ไปกินมันแต่นั้นพุธเจา้าจึงทรงสอนให้มองอาหารเรานันในรูปที่จะให้เป็นอาหารจิตคือบรรเทาความอยากในอาหารเพราะอะไรเพราะว่าความอยากในอาหารนั่นเองที่ทำให้สัตว์ต่างหลายตายไปเป็นนั้นมากพวกสัตว์ที่ถูกดัก โดยอ้วนด้วยร อ, อบด้วยซ่อนด้วยไซดด้วยสิ่งต่างๆตลอดทึงคนที่ถูกล่อลวงไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนเหล่านั้นที่ล่อ ด, ด้วยอาหารว่ตายเป็นกลายเป็นเครื่องมือของคนเหล่าอื่นอยู่เป็นนั้นมากแล้วก็ส่งสอนให้บุคคลพิจารณาในการบริโภคอาหารที่สามารถยังอัตภาพเพื่อชีวิตได้เป็นไปโดยไม่ต้องเป็นทาตุของอาหารแต่ให้อาหารเป็นทาตเรา โดยจิตใจไม่ค่้องเกี่ยวไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นอะไรมันมีอะไรจะทานก็ทานไปสมเอตประโยชน์คือขจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้มีเรี่ยวแรงมีกำลังปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็จบแล้วแต่ในขณนะดเดียวกันเนี่ยสอนขนาดนี้มันแก้ปัญหาในแต่ละขนันะ แต่อาหารนั้นสามารถที่จะช่วยผลักดันพัฒนาจิตใจของบุคคลในบรรลุมกผลในพ่านไปก็ได้ซึงมีคำสอนแนวที่เราเรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือให้คนมองเห็นความปฏิกูลของอาหาร่าน้อยก็บันเทาความอยากต้องการเสพต้องการดื่มต้องการลิ้มต้องการชิม จนต้องปรุงสีปรุงรูปปรุงกรดกันสารพัดแล้วเสร็จแล้วแต่งไว้สวยๆก็เคี่ยวทีเดียวก็แหลกหมดเอาแต่แ่าข้าวไปอยู่ในท้องก็ย่อยเป็นของปฏิกูแลแต่ตกแต่งกันแทบตายเพราะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นบริโภคโดยตัดหา อาหารถ้าจะติดใจก็ควรจะติดเฉพาะรสแต่นี่ไม่ใช่ต้องรูปสวยๆน่ารับประทานด้วยกลิ่นหอมๆน่ารับประทานด้วยสีน่ารับประทานด้วยเวลาจับต้องก็นิ่มกรอบอะไรต่อไรตามที่พูดกันก็น่ารับประทานตกลงว่ามันเป็นรูปประทานหา เป็นสัทธาตัณหาเป็นกันธาตัณหาร า, าตัณหาปุตตะตัณหาคือเป็นตัณหาครบไปเลยตกลงว่าบริโภคกี่หนึ่งก็เพิ่มกระแสตัณหาแล้วกลายเป็นธาตุกันตัณหาแล้วธาตุองอาหารพุทธเจ้าก็สอนในแนวที่ให้คิดตามตรงนี้เราจะคงได้รับประโยชน์จากอาหารเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าทำยังไงให้บริโภคยังมีปัญญารู้เท่าตัน โดยไม่กำหนดหนัดเพลิอเพลินไปกับอาหารจนกลายเป็นการอยู่เพื่อจรุรกิจแต่จะเป็นการกินเพื่ออย่างอัตภาพไปเป็นไปแล้วก็ปฏิบัติภารกิจการงานได้โดยไม่สุดโซมหรือถูกทำลายไปเสียก่อนแต่นั้นตัวอาหารจึงเป็นเรื่องธรรมดามันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนใช้ประโยชน์หรือก็ใช้ประโยชน์แต่ใช้ระดับ มันน่าจะคุ้มค่ากว่านั้นเพราะว่าทํางานมันด้วยความเหนื่อยยากลําบากกว่าจะได้ทรัสินเงินทองมาซื้ออาหารเหล่านั้นแต่เราก็ใช้แค่นั้นพระเจ้าก็ทรงสอนต่อไปแล้วในจุดที่เราใช้แตนที่จะเอาตัณหาเข้าไปกํากับกับปัญญาเข้าไปกํากับเสียตกลงมาได้ประโยชน์จากอาหารเหล่านั้น ตังจาการทําเหล่านี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคนกลุ่มหนึ่งก็กลายถือเป็นอาหารเหล่านั้นอาหารเศษของพระอาจารย์กรรมฐานพระอาจารย์ครั้งๆรั้งดังๆก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปอาจารย์เลิกลูกศิษย์ก็ยื้อแย่งกันก็แสดงอะไรแสดงถึงตัณหาแสดงถึงโมหะตกลงว่าอาจารย์ได้ลดตัณหาลดโมหะลงไปก็ไปเพิ่มตัณหาโมหะให้แก่ลูกศิษย์ กกลายเป็น ว, ง, วงจรที่หาจุดจบไม่ได้คือแก้ไม่ได้วิธีการของพุทธนั้นก็คือต้องรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ไปอยู่อย่างเป็นผู้รู้แต่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงผลประโยชน์ที่ควรจะได้โดยโดยแกนแท้จริงๆก็คงรักษาวไว้แต่ส่วนที่เป็นองค์ประกอบ เป็นการสูญเปล่าของเวลาก็ตัดออกไปหรือแม้แต่พวกธรรมชาติทั้งหลายที่นำมาสอนในแนวกรรมฐานอย่างที่เคยย ก, ยกตัวอย่างนิดน้ำลงไฟอากาศเพิ่งสังเกตว่าเราก็ใช้เท่าที่เราใช้แต่ทั้งหมดนั้นที่จริงแล้วเป็นการใช้เพื่อความสยบจิต เกิดความไม่รับผิดชอบอย่างที่เรามีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมปัจจุบันนั้นแสดงว่าคนใช้ทรัพยาการทรัพยากรธรรมชาติด้วยโมหะด้วยโลภะด้วยโทสะที่แรงเกินไปก็จำนองคล้ายๆกับคนไปตัดกิ่งไม้แล้วไปนั่งอยู่ที่ปลายกิ่งไม้ซึ่งตนตัดพอตัดกิ่งขาดตัวเองก็ตกลงมาตายพอดี การบริโภคทรัพยากรในลักษณะนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราคือส่วนใหญ่จากชีวิตเราเพราะเป็นส่วนเรานั้นก็คือส่วนย่อยของนน้าลงฝไยอากาศเราทําลายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นก็คือทําลายตัวเราเพราะเราก็คือทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเหมือนกัน แต่ทีนี้ถ้าเราบริโภคใช้สอยด้วยปัญญาแทนที่จะได้เฉพาะตรงนั้นแทนที่จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเราไว้โดยการใช้ปัญญาก็ได้โดยการใช้ศรัทธาก็ได้คือสังเกตว่าวิธีการของคนรุ่นก่อนแม้แต่ในพระพุทธศาสนาเอง ก็จะใช้ศรัทธาเป็นตัวนำเพราะว่าปัญญานั้นพัฒนายากกว่าจะเกิดขึ้นมาได้คุ้มครองได้ก็จะทำลายอะไรเสีก่อนเออค้ายกับปัญหาการจรา จ, จรที่กำลังสัมนากันวุ่นวายในขณะนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งศรัทธาทั้งปัญญา งบมารสร้างถนนเป็นงบประมาณของรัฐซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดแต่งบมารใช้ถนนเป็นงบประมาณของเอกชนซึ่งมีจํานวนมากและก็ไม่จำกัดในสุดมันเกิดเป็นปัญหาอย่างที่ว่าแต่ถ้ามีการเชื่อ ก, กันมีการใช้ปัญญามองอนาคต ก, การให้ชัดเจนมันก็เตรียมการป้องกันเปลี่ยนการปรับก็ อ, อยู่ได้แต่ว่าไม่เดือดร้อน เพราะว่าเวลาผู้สานาสอนก็สอนให้เอาประโยชน์จากทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องระดับวิถีชีวิตธรรมดาก็อนุรักษ์ิน้ำลงไฟเอาไว้รักษาภาพไว้ล้อมไว้แต่ไม่สามารถจะสอนคนให้ทำอย่างนั้นได้ตลอดแต่นั้นท่านสายชนทั้งหลาจีนว่าวัดนั้นที่จริงก็คือแปลงสาธิตในการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีป่าอันร่มรื่นได้ทรงใช้กำว่าอารามแปลว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้จิตใจมีความรื่นรมมีความสะอาดสะอานกำหนดเป็นกิจวัตรในพระกวัดวัดทั้งเช้าทั้งเย็นถือเป็นกิจวัตรเด่งนงการทิ้งสองของศกปรกการถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะบนน้าลายลงในบริเวณตรงนั้นไม่ได้ทิ้งขยะลงใกล้กุฏิไม่ได้ อ, อย่างนั้นคือต้องการจะให้เป็นแปลงสาธิตเพื่อจะให้คนอื่นได้มันดูใกล้ๆโครงสร้างแม่บทในแต่ละเรื่องที่เราพูดกันและในการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็มีบุคคลที่เป็นโครงสร้างแม่บทก็ไปหยิบมาจากสังคมนั้นเองมาฝึกปลืออบรมพัฒนาขึ้นไป บางทีไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้เอาหมาโจรมาพัฒนาเอาโสเปรนีมาพัฒนาเอาขอทานมาพัฒนาบางทีก็คนบ้าแล้วเลยจาไปเอามาพัฒนาแต่พระเจ้าท่างก็ทำกับท่านได้ก็กลายเป็นโครงสร้างแม่บทกลายเป็นแปลงสาธิตให้คนอื่นติดตามประพฤติปฏิบัติตาม ก็ช่วยบุคคลได้ประโยชน์เมื่อเพิ่มมากจิงงข ե นดังนั้นในแนวพุทธเนี่ยการมองสิ่งต่างหลายในแนวพุทธเป็นการมองคล้ายคลกับมีแสงสว่างส่องไปข้างหน้าเพราะว่าคุณลักษณะของความเป็นพุทธะก็คือปัญญาที่กำกับด้วยศรัทธาไม่ใช่แกว่งสับสนไปลดแล่นออกไปโดยขาดฐานการควบคุมปัญญา แต่ศรัทธาเองก็ต้องควบคุมด้วยปัญญาไม่จะงมงายไร้เหตุผลสมาธิสองประการนั้นจึงอิงอาศัยถึงกันและกันก็ปรับความคิดจิตใจพฤติกรรมของบุคคลให้เดินไปบนเส้นทางที่ชอบจีควรในตรงใดที่เน้นที่ศรัทธาไปก่อนปัญญาก็กำกับควบคุมสังเกตว่าที่เชื่อไปมันถูกต้องหรือเปล่า ในขณะที่ใช้ปัญญานำตัตาก็ต้องเป็นนิตเจานนาปาเสีฐานหรือเปล่าไม่ใช่ปัญญาออกเตลิดเปิดเปลงไปเหมือนรถไฟออกจากรางมันไปไม่ได้มันจะต้องมีความสมเหตุสมผลอยู่ในการใช้ปัญญาเหล่านั้นข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามมันมีอดีตอยู่อดีตบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ลงตัวแล้ว ันความต้องใช้ปัญญาออกจากฐานนั้นก็เหมือนกับรถไฟตกรลางก็มีแต่อันตรายมีแต่ความสูญเสียในจุดนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าพื้นฐานที่จิตของคนมีบารมีที่เราพูดง่ายๆมีบารมีท่านยังหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องสามารถจะเรียนจากก้อนเมฆ สามารถจะเรียนจากสายลมสามารถจะเรียนจากกระแสน้ำเบไม้ร่วงลงมาใบหนึ่งท่านก็เรียนธรรมะได้แล้วน้อมกลับน้อมใบธรรมะไอใบไม้เหลืองเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตแล้วก็มองมองชีวิตเนี่ยน้อมชีวิตเข้าไปสู่ใบไม้เหลืองก็จะเห็นว่าเหมือนกันใบไม้เริ่มต้นจาก ไม่มีใบไม้แต่ก็เริ่มมีใบไม้อ่อนๆขึ้นมาผ่านการเวลามาเรื่อยๆมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมาเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเขารักษาตัวเองไว้ไม่ได้แม้จะไม่มีลมพัดมัมีอะไรทํามันก็หล่นหล่นโดยธรรมชาติของมันก็มองไปที่ชีวิตไปชีวิตเราก็เหมือนกับใบไม้มันเริ่มจากไม่มีเราแล้วก็เริ่มจากเป็นเรา มันก็เดินมาเรื่อยๆจนเรามีเราเป็นกันอุดตรุดไปหมดเลยจนบางทีก็ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นอะไรบ้างลืมหมดแล้วแล้วในที่สุดมันก็เริ่มไม่เป็นไปโดยลำดับฐานะชั้นยศตำแหน่งที่เคยมีก็เปลี่ยนแปลงไปเปลเกษียณไปล ด, ดน้อยถอยลงไปก็จะเตรียมกลับสู่สภาพเดิมก็คือความไม่มี เพราะจะโดยเงื่อนไขอะไรก็ตามมันเป็นโดยธรรมชาติของมันเมื่อน้อมมองไปแล้วก็มองเห็นสภาพอย่างเดียวกันที่เรียกว่าเอวังธรรมโอเอวังป า, าวีเอวังนา ต, ติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองสภาวะของสัตว์สังขารทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองแล้วไม่มีใครหรืออะไรผ่านคนสถานะเหล่านี้ไปได้หรือเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็น ก็หาประโยชน์จากาใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาได้หาประโยชน์จากก้อนดินก้อนเดียวก็ได้เพราะแต่ละอย่างนั้นที่จริงก็คือธรรมะแต่การมองฐานําคัญอยู่ที่การมองว่าพื้นฐานภายในเนี่ยถ้าอานสว่างมากก็มองไม่เห็นเหมือนก็มืดมากมันมองไม่เห็นแต่แสงสว่างมากก็มองเห็นทํายังไงใจถึงมืด ให้ใสให้ใจใสใจสว่างขึ้นโดยการเพิ่มปูนปัญญาพิ่มปูนเหตุผลเพิ่มปูนความคิดที่เหมาะสมควรขึ้นแต่คนจะสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแล้วก็ทุกระดับเพราะแต่ละอย่างเนี่ยสามารถเรียนรู้เป็นครูสอนตัวเองยกจิตตัวเองถึงนิพพานได้ทั้งนั้นแม้แต่ก้อนกรวดก้นดิน แม้แต่ใบไม้แม้แต่คลองน้ําอย่างที่ว่าแม้แต่พยับแดดแต่อย่างจึงกลายเป็นครูแล้วเราก็มีครูอยู่รอบตัวแต่ประโยชน์เหล่านี้มันอยู่ที่รู้จักใช้ในส่วนหนึ่งจึงต้องอาศัยคนที่เคยได้รับประโยชน์เหล่านี้ที่พระเจ้าทรงเน้นย้ำในไวในกรณียมตตศสูตรที่ว่า อันพูดฉลาดในประโยชน์พึงทําซึ่งเกียรติท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางอันสงบได้ก็ทําแล้วเป็นแนวจะพูดถึงธรรมะสาธุธรรมเรียกว่าเดินไปตามผลทางที่ท่านผู้ประสบความสําเร็จได้คือเดินมาได้ถ้าพูดแนวกติไทยก็คือเดินตำลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดคือใช้จัตตาในตัวคนที่ควรแก่การจัตตา แต่ก็เสริมสร้างปัญญาพัฒนาปัญญาขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพลังของศรัทธากับพลังของปัญญาจะเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจให้ดาเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องมีความสงบขึ้นประนีตขึ้นโดยการเรียนรู้หาประโยชน์จากทุกเรื่องที่ใกล้ตัวเราซึ่งผู้ฉลาดเท่านั้นจะหาประโยชน์ในระดับนี้ได้ ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป